ไม่กลัวแต่จะกลัวตัวรักที่ไม่จริงจริงไม่กลัวไม่กลัวตัวแต่คนไม่จริง i i n g มันจะหมดจากใจแต่ว่าวันนี้จะกับความ ใครตอก็ตอบกันเรื่อยไปไม่มีใครเข้าใจจะมีใครรู้จริงจะมีใครเข้าใจ ฉันสู้ทนยั่งยืน ช่วยกันดูช่วยกันทำขอบคุณที่ช่วยกันมาตลอดอยากจะขอขอบคุณมาจากใจอยากขอบคุณทุกคนที่มีใจฟันไปที่อยากให้พื้นแผ่ น, น, นดินกว้างใหญ่ยังอยู่ยังใสสะอาดหากเพียงแต่เรายังคงให้สัญญาว่า จะทำให้ดีให้ดีกว่านี้หากเพียงแต่เรามีใจที่คิดดีที่หวังดีมันคงไม่เกินความตั้งใจมาช่วย ขอบคุณที่ช่วยกันมาตลอดอยากจะขอขอบคุณมาจากใจอยากขอบคุณทุกคนที่มีใจฝันไปที่อยากให